แล้วเกิดในแดนพุทธศาสนาเคยไม่ได้อยู่ในแดนพุทธศาสนาก็เหมือนอที่โบราณท่านว่าเป็นผู้ชายไม่ได้บวชเหมือนกับเหยียบแผ่น ด, ดินผิดมันผิดทุกคนเ่ยเกิดมาในวงศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติศาสนาให้เหมาะสมกับธาตุภูมิของตน ก็เหมือนกับเหยียบแผ่นดินผิดพื้นฐานของมนุษย์ก็คือศีลธรรมเราเกิดมาเรื่อ ง, าองมากอย่งศีลธรรมแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติศี้ธรรมก็เหมือนกับเหยียบพื้นฐานนั้นผิดน่อยู่ที่ตรงนั้นท่า น, นสอนให้สังสมคุณ ง, งามความดีไว้เพื่อ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 เข้าสู่ภายใน จ, ใจิตใจนั่นทานเรียกว่ามูลนิธินิธิก็แปลว่าขุมทรัพย์มูลก็แปลว่ารากฐานคือรากฐานห่งที่เป็นที่สถิตแห่งขุมทรัพย์นั้นก็ได้แก่ใจในชื่อว่ามูลนิธิมูลนิธิก็คือรากฐานเป็นที่ฝังทรัพย์ลง อิจาของเราเป็นรากฐานสำคัญที่จะฝังทรัพย์ภายในลงสู่ที่หนาเมื่อมีทรัพย์ภายในแล้วไปไหนก็สะดวกสบายเช่นเดียวกับคนที่มีทรัพย์ภายนอกติดกระเป๋าไปาวจะไปแห่งหนึ่งตำบลใดต้องการอะไรก็ต้งบัตมนันจับจ่ายใช้สอยได้เรียบ่ยนสิ่งที่ตนต้องการ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 ถ้ามีแก้วสารพัด น, นึกแล้วไปไหนก็สะดวกกายสบายใจหากไม่มีก็ลำบากน่ะการท่องเที่ยวนวัตตะสงสารก็ต้องอาศัยคุณงามความดีที่ได้สั่งสมไว้ภายนาจิตใจติดแนบ ก, กับตนไปในภพนั้นๆเกิดเรากับบังคับหรือต้องการ เกิดในสถานที่เช่นไหมันเป็นไปตามความต้องการนั้นไม่ได้ถ่ามเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมหรือบาปแห่งกรรมที่จะพาให้เกิดให้อยู่ให้สุขให้ทุกข์ท่านพูดว่าอย่างนี้เป็นความตายตัวนี่คือเป็นความจริงมันถูกต้องตายตัวมาตั้งแต่การไหนไหนลบล้างไม่ได้ใครจะมีความโลภความชลาดสามารถจึงไรที่จึงไลบล้างกรรมและผลของกรรมคือสุขทุกข์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 ก็ได้รับแค่เรื่องฐานลงขันยกตัว อ, อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเวลาจะประินิพพานสเสด็จไปกรุงกุจินาลายจะโซ่เน้ำรับสั่งให้พระอานุนไปตักน้ำที่ไหนก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคนไปหมดนี่พระองค์ก็ใร้กาศกับพระอานุนว่านี่เป็นพ่อกรรมเก่าของเรา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 ส่วนความดีก็มีสนองมาโดยลำดับเช่นอย่างไปสถานที่ใดพอมีคนเคารพเทวบุตรเทวดาอินพรมอะไรทั้งมีความเคารพนบนอกพระองค์ตลอดถึงเครื่องศักระบูชามาจากที่ต่างๆเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นการเสวในทางพระกายเช่นเดียวกันส่วน่จ้พระองค์มีความยินดียินร้าในไทยนั้นไม่มีไม่สามารถที่จะไปถึงได้ นี่าการที่เราทําความดีทั้งหลายนี้ก็เหมือนกับเราเอาน้ําที่สะอาดชำระสิ่งที่โ ส, ส, สโครกโสโครภายใจิตใ จ, จของเราให้ค่านหมดไปโดยลำหนักลาหนักทานยิ่งสอนให้สร้างความดีคนที่มีคุณงามความดีแล้วย่อมเป็นที่อบอุ่นภายใจิตใ จ, จทั้งปัจจุบันคือเวลายังเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหนาเพราะเรามีหลักยึดมีที่พึ่งที่เกาะที่อาศัยภายใจิตใ จ, จ ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่แน่สนิทใจที่เป็นที่ตายใจหรืออบุนยิ่งไปก ว, กว่าคุณงามความดีทั้งหลายนี่ทันว่าช้ายาเอวเปรียบเหมือนกับเงาเทียมตูแต่เงานั้นจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏสำหรับคุณงามความดีนี้เราจะไปเกิดในสถานที่ใดๆย่อมติดแนบกับใจของเราเพราะความดีเหล่านั้นอยู่กับใจ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 เขาหากินอยู่ในที่ต่างๆเพราะว่าสัตว์ชนิดใดมีปากมีท้องต้องยิงเจ็ก้ น, กนขวายหาอยู่หากินนั่นมาใช้งานน้องเขาเริ่งเขาก็ไม่เห็นบนทั้งเสี่ยงต่ออันตรายมากมายก่ายคองไม่เหมือนมนุษย์เราไปที่ไหนทั้งกลัวตายไม่งั้นเขาฆ่าจริงๆต้องระมัดระวังทั้งปากท้องก็หิวโยหยน้ามันจะไปกินก็จะถูกเขาดักยิงอีกถูกขายเขาดักอีกเนี่ย กินผลไม้ก็ถูกเขาหนักไปหากินยากกินอะไรอะไรก็ถูกแต่มนุษย์นะ่ะสําคัญที่คอยทําลายสัตว์ใเสี่ยงทุกด้านในเหมือนมนุษย์เรามันก็คืองานของเขางานของเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่เหมือนงานมนุษย์เรางานมนุษย์เรานี้มีน้อยที่จะเป็นงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือ น, นสัตว์ทั่วไปเป็งานที่ทําด้วยความเป็นอิสระการประกอบหน้าที่การงานที่ชอบทํา เราทำได้โดยกันทั้งโลกทั้งสารไม่มีใครว่าใครไม่มีใค ร, ใครเบียดเบียนใครหากจมีบ้างก่อนมันก็เป็นธรรมดาของคนมีเกลเอแต่ที่จะออกหน้าออกตาเหมือนอย่างเราทำลายสัตว์ดังนั้นมันไม่มีมันจะยากลำบากเราก็ถือว่าเป็นงานจำเป็นของเราเพราะเราต้องอาศัยเวลาร้อนไม่พึ่งเย็นจะพึ่งอะไรเวลาหนาวก็ต้องพึ่งผ้าหม่ม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 ควรตัวเองได้ตลอดเวลาหากมม่มีการอบรมพรวนาะให้มีความสงบบ้างเลยแล้วจิตจะหาที่หลบที่ซ่อนไภไม่ได้จะมีแต่ความรุ่มร้อนกุ่มรุ่มอยู่ตลอดเวลาะฉะนั้นการอบรมจิตใจด้วยจิตตะภาวนาะจึงเป็นที่พักผรอ่อนจิตได้ดีขณะที่เรากาหนดกหนดพุดโทโธพุโทโธนั้นจิตก็สงบอยู่กับพุโทโธอยู่แล้ว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 ตัณหาตัณตาอยู่กับคำบริกรรมของเรามาจิตใจนี่สายแสกไปสู่อารมณ์ที่เคยข Cobb ป่วนตนเองจิตก็ย่อมมีความสงบเมื่อได้รับการบำรุงรักษาด้วยสติตัณหาตัณตาทําอยู่โดยสม่ําเส ม, มอจิตก็มีความสงบลงได้พรอจิตสงบแล้วเ ท, ท่านั้นเรื่องความสุข ก, ก็มาเองเหตุที่มันไม่มีความสุขพนันใจเพราะมันมีความสงบเพราะจิตเริ่มสงบ ภาระก็เริ่มเบาลงคือความคิดความปรุงในเรื่องต่างๆยิ่งเป็นความคิดที่เป็นภายด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นพิษเป็นภายต่อจิตใจมากผิดกับความคิดทั่วๆไปนี่เราระงรับดับไปหมดความคิดเหล่านั้นไม่สนใจเอาเฉพาะความคิดความปรุงที่เป็นอาจเป็นธรรมซึ่งจะเกิดผลเกิดประโยชน์อันนี้คุณค่าเข้ามาสู่จิตใจของเราใจก็ได้รับความล่มเย็นเมื่ออารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจหัวนใจ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 เป็นุกมีที่พึ่ง น, นั่งอยู่ก็อิม่มทำอะไรอะไอยู่ก็อิม่มเอิบอยู่พานาใจพาจะว่าอะไรก็ไม่ค่อยโกรธ ง, ง่ายง่ายไม่ค่อยชุนค่อยเขียวเพราะจิตมีที่พึ่งจิตมีหลักมีเจนไม่บอกแบบคอนแคน เ, เย็นแล้วน่ะเพียงเท่านั้นเราก็เห็นผลแล้วผลนี่แหละที่จะยังเหตุต่ อ, ตอไปให้เพิ่มปริมาณขึ้นหรือสืบต่อกันเป็นลาดับ และให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อปรากฏผลเป็นความสงบสุขแล้วคนเราก็ย่อมมีแก่ใจเพราะทำงานเห็นผลคือความสงบพยายามทำอยู่เรื่อยๆยิ่งเฒ่าแก่แล้วเท่านี้ไม่ศาสตร์จะไปหาทำงานอะไรออนอกจากงานจิตตภาวนางานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เคยเลี้ยงมาซะจนพอแล้วเลออีเ้ยงลูกแล้วยังไม่แล้วยังเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนเลี้ยงอะไรอะไ ร, ะไรเป็นบอยเขาอยู่ตลอดเวลา เลี้ยงตนนั่งตอนมันยังไม่เติบโตคือภ า, ายในจิตใจมันเหี่ยวมันแฝงอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่จะบรรจุไม่มีเลยอย่างนี้เราจะไม่ร้อนใจจะทันยังไงมันต้องร้อนคนหละัะนั้นจึงพยายามเลี้ยงตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมพยายามอบรมจิตใจของตนถ้ามีความสงบจิตจะพองขึ้นตัวขึ้นมาเย็นสบายโล่งน่ะเหตะการเลี้ยงตัวด้วยศีลด้วยธรรมมีจิตตาภาวนาเป็นสําคัญ พยายามอบรมรักษาตนที่หนคือรักษาใจอะไรๆเราก็ได้ผ่านมาแล้วเรื่องโรคเรื่องของสารมานานขนาดนี้แล้วพอจะรู้เรื่องดีเพราะเราได้เคยบวกเคยลบมาแล้วผ่านโลกมานานทางตากับผ่านมาใช่ตั้งแต่วันโน้นลุยจากเรี้ยงสาวภาวะตาหูจมูกเดินกายมันสัมผัสสัมพันธ์กับถิ่งทั้งหลายมาตลอดสายผลดีผลขั้ว ป, ประการใดบ้างเราทราบหมด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 ประมวลความตั้งอกตั้งใจเจตนาของเราเข้าสู่ธรรมบำเพ็ญตนด้วยจิตตะภาวนาหรือด้วยอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วเป็นที่เอาอุ่นเป็นที่เป็นอารมณ์ของใจอันร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่พราะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเป็นอารมณ์สําคัญมากต่อจิตใจทําให้มีความสงบเย็นใจ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 ตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวอยู่โดยเฉพาะไม่ไปสําคัญมันหมายกับสิ่งใดๆแล้วสิ่งเหนั้นจะมีมากน้อยเหมือนไม่มีที่นี่จิตไม่ปรุงรบกวนตัวเองอีกไม่เกิดความสําคัญนั้นหมายในสิ่งต่างๆภายในรอบภายในรอบตัวนี่อีกก็ยิ่งเป็นความสงบแน่ๆครับเหลือวแต่ความรู้ล้วนๆนั่นเป็นความสงบที่ละเอียดมากฮะโลกนี้เหมือนกับมีแต่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนอกนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลย เพีงเ่านี้ก็สบายแล้วเห็นหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนหลักเกณฑ์ภายในร่างกายชีวิตจิตใจเรานี้คืออะไรเป็นหลักที่แท้จริงก็คือใจดวงนี้เองน่ะรู้แล้วรู้ชัดเจนแล้วทำอย่างไรถึงจะให้ยิ่งกว่านี้คือทำตามธรรมนาแม้แต่เราสแสวงหาสมบัติได้เท่านี้แล้วมันยังต้องอยากได้เท่านั้นได้เท่านั้นแล้วอยากได้เท่านั้น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 กลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาดังที่เคยสําคัญมันหมายมาตั้งแต่ก่อนนี่จึงกลายเป็นความจริงขึ้นมารูปก็เป็นความจริงเพราะจิตจริงเนียเพราะจิตรู้จริงเหตนาก็เป็นความจริงอันหนึ่งเพราะจิตรู้จริงเนี่ยสัญญาตั้งขานวิญญาณแต่ละอย่างแต่ละอย่างแอย่างเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างเพราะจิตเป็นความจริงอยู่เต็มตัวเนี่ยว่างอาการแต่ละอย่างที่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 ไปฝา่าไปฝืนความจริงไม่ปีงเกี่ยวกับความริงต่างอันต่างปิงต่างอันต่างอยู่ฮนะจิตใจก็ไม่ยุ่งเยิงวุ่นวา ย, ยไม่หาเรื่องก่อความตมเองนี่ท่านจะเรียกว่าอะไรมันถอดดองหมดถอดดองหมดมรู้นี่ท่านียากว่ารู้รู้อย่างนี้รู้เรื่องของตัวเองแล้วจิตนั้นก็พ้น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 ตัวงตัวด้วยความสําคัญแต่เป็นธรรมชาติแท้เราก็ให้ชื่ออะไรอย่างนั้นเพราะโลกมีสมมูิก็ต้องให้ชื่อว่าไปตามสมมุติเช่นอย่างให้ชื่อว่านิพานหนึ่งบรรดาท่านพูดถึงนิพานแล้วท่านไม่ได้สงสยัยให้ชื่อให้นามท่านก็ไม่มีปัญหาแต่โลกมีสมมูิก็ต้องให้ให้ชื่อสมมุติเช่นอย่างเราติดป้ายไว้ที่หน้าวัดว่าวัดป่าบรรดาห์เพราะเพื่อให้คนที่เขายังไม่เคยรู้ว่าต่าบรตาห ได้อ่านได้ทราบอ้อนี่คือวัดป่าบรรตาสํสำหรับท่านเนหรือประชาชนที่เคยอยู่ในวัดนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาสนใจอะไรจะต้องไปอ่านใต้วัดป่าบรรจัเพราะรู้อยู่แล้วน่ะผู้ที่รู้นิพพานก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันระยะนี้แหละระยะที่เราว่างเป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับบําเพ็ญตนเอง เหมาะที่สุดในเวลามีความเป็นอยู่อย่างสะดวกกายสบายจัจอะไรๆเราได้ผ่านมาแล้วเวลานี้เป็นเวลาเหมาะสมตายแล้วหมดค่าเกิดประโยชน์อะไรเราเป็นอยู่นี้เราทำหน้าทุกอย่างทำเทียนในเวลานึงร่างกายกำลังเป็นเครื่องมือได้ดีจิตใจก็ทำหน้าที่ได้ด้วยร่างกายที่เป็นเครื่องมือ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 คิดดูดาบททั้งสองในเวลาท่านตรัสรู้แล้วใหม่ๆทรงพิจารณา ด, ดา้วย่างทราบขอบดาบททั้งสองนั้นสิ้นไปเสียเมื่อวานน่โอนาเสียดายนทาท่านก็เลยดูุดสนพระไทยที่จะไปต่างสอนเพราะสุกคิสใสแล้วทางว า, าสนาพเพื่อสอนคนตายจริงแล้วเออเหมาะสมแล้วนี่ตายเมื่อวานนี้เราส่งกุศลานี่เดียวให้ถึงนี่ผ่านเลยว่างั้น แต่นี้ไม่ไปสเสด็จไปหาเป็นจาวาคีทั้งห้าผู้อยู่ในวิสัยที่จะได้จะถึงธรรมทั้งหลายแล้วพอแสดงดเวเมทพิเวนตับบิเจเรนเสวิตบิตบาสนั้นเป็นจาวาคีทั้งหลายก็บันรู้ธรรมออกอุทานขึ้นมามีพระคนอัญญามีพระคนอัญญากงัญญาเป็นต้นยังจุงกิสมุไดธรรมังสับปตังนิโรธธรรมังนี่เป็นอุทานที่ออกมาจากความรู้จริงในขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมที่พระัญญาขงัญญานได้รู้ ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นของตายตัวนะมีความเกิดและความดับไปเป็นของตายตัวคือคู่กันอย่างนี้แยกกันไม่ออกมีจิตยังถึงความจริงแต่นั้นก็แสดงอนัตตลกนัสูตรเป็นลำดับทั่วไปอนัตตลกนัสูตรท่านแสดงว่าอะไรบ้างรูปังอนิจังเวทนานิจจ์ชั้นญาณิจจสังขาริจจาวิญญาณังจังรูปังอนัตต์เนี่ย ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่ในตรายรักนี้ทั้งหมดรวมลงไปรวมลงไปอยู่ในนี้อยู่ในนี้เนี่ยอนตัตตลกนะสตรอนัตต์แสดงว่าความนัาไม่ใช่ตนมันเองแสดงนี้ล้างจิตจะให้สะอาดหมดจดได้บรรลุธรรมถึงห้าทั้งห้าองค์นั้นเลยนะมีท่านสอนคนเป็นทำไมาจะสอนคนตาย นี่เราอยู่ในวิสัยเวลานี้เราไม่ใช่คนตายเป็นผู้เหมาะสมอย่างยิงย่งแล้วกับธรรมและการปฏิบัติธรรมถ้าตายแล้วก็สุดวิสัยเวลานี้ยังไม่สุดวิสัยให้พยายามทําตั้งแต่บัดนี้ช่วยตัวเองแต่บัดนี้เราจะไม่เสียท่าเสียทีเรานี้เป็นผู้ที่จะเสียท่าได้ท่าแล้วแต่เราจะพลิกแพนไปทางไหนทางไหนเพื่อตัวของเราความฉลาดอยู่กับเราความโง่อยู่กับเรา เราต้องทิกแพรหาความตลาดทำมะเป็นคำสอนที่เจ้าออกมาจากความตลาดไม่ได้สอนคนโง่จึงรีบเล่มขนขวายด้วยความเฉลียวลาดของตนเสียในเวลาอันควรนี้จะไม่เสียท่าเสียีในภายหลังเราจะมีความสุข ก, กายสบายใจทั้งปัจจุบันและอนาคตสมบัติอันที่พึงใจจะเป็นของเราด้วยการทําดีเป็นสร้าเหยุให้ได้สิ่งที่พึงใจจึงขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้